273พระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสะดาครั้นตรัสเวยยการณภาสิทธิ์นี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายทาตกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน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 คนชอบสงเคราะห์ชอบสร้างไมตรีรู้เรื่องที่เขาบอกปรลาดจากความตรณีเป็นผู้ชอบแนะนำชี้แจงแสดงเหตุผลเช่นนั้นย่อมได้ยศทานเปยยวัชชะอัฏฐจริยาในโลกนี้และสมานัตตาในธรรมนั้นๆตามสมควรสังฆะธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลก เมื่อลิ่มสลักเปล่าดุมรถที่แล่นไปไว้ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีสังฆะธรรมเหล่านี้มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุแต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความสําคัญของสังฆะธรรมเหล่านี้เช่นั้นบัณฑิตเหล่านี้จึงมีความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญ